มาทั้งหมดสามวัดใช่ไหมเนี่ยเรื่วัดเดียวสามวัดเดิงวัดสององค์เดิงดงวัดองค์เดียวใช่ไหมวัดสองกี่องสามองค์น่ะวัดสองสามองค์แล้ววัดหลวงพ่อค้าทั้งหมดกี่งค์เนีฮะโอ้รวยจะได้วาสงใสหลวงพ่อมาตินเอาต่างชาติมากี่องค์เลยวา สามเหรอฮะสี่องค์กี่ประเทศอะไรสามองค์สี่องค์สามประเทศเยอรมันกี่องค์องค์อ้ อะไรก็ฝรั่งเศสสององค์<ม> oh, อังกฤษหนึ่งองค์<ม> oh. ลูกศิลป์หลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญาเป็นอังกฤษแต่ลูกศิลป์หลวงพ่อเชอรี่ไม่มีเนาะแคนาดาเนาะเออนั่นสิไม่ค่อยเห็นว่าแคนาดาเนาะอังกฤษเห็นหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อเอี่ยนโอ้เ oh, จได้พอพูดอะไรเจไดหลวงพ่อเอี่ยนวะเสจไดอย่างมากเลย <Okay. S 1> เออลุงพ่อฟิลิ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 แต่ท่านปัญญานี้ท่านเกิดที่อังกฤษแต่ท่านมาใหญ่อยู่ที่อินเดียมาเป็นอินเจเนียร์คุมขุดบ่อทองที่อินเดียอยู่หลายปีนี่ที่ผมถามประวัติท่านนะ<ม>ท่านปัญญาเนี่ยท่านมาคุมขุดขุดบ่อทองที่อินเดี ย, ยแล้วก็มาควบคุมจากนั้นท่านก็เป็นบรรณโลกกระดูก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 โอ้จากท่านท่านก็กลับมามาอยู่กับท่านพุทธทาสพอมาอยู่กับท่านพุทธทาสตัวนี้ท่านก็จะมาขออยู่กับหลวงตาหลวงตาก็จะรับบ้างไม่รับบ้างเหมือนกันเพราะพระฝรั่งองค์แรกใช่ไหมเออพระฝรั่งองค์แรกท่านจะรับบ้างไม่รับบ้างไม่รู้ว่าจะมาเป็นสปายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเหงัอนกันเออเป็นสมัยนั้นเป็นคขมันนิตเออทัง ประชาธิปไตยทั้งระบบคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเอออันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นระบบไหนที่จะมาบวชเนี่ยลงตาก็ต้องพิจารณาดูพอสมควรจากนั้นลงตาก็เอ้าเข้ามาอยู่ก่อนยังไม่ให้บวชยังเป็นมานิกายนะจากนั้นมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตานสามปีมั้งจากนั้นท่านเจอรี่เป็นเข้ามาทางมาเลเป็นโยม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 คนหายใจได้ยังไงเขาบอกว่าต้องปั๊มลมลงไปให้ให้อากาศลงไปพันล่างให้ขึ้นมาทังขึ้นมาต้องปัง๊มลมอากาศลงไปดังนั้นไม่ได้เวลาขุดลงไปเขาขุดยใช้จอบนี่แหละขุดเลยอย่างนั้นขุดตามสายทองแต่ไปเจอหินกระทบหินมันขยุนทองคำก็อยูใ่ในหินนั่นแหละแต่กลัวอย่างเดียวกลัวที่พวกลงไปนั่นนะพอขุดถ้าไปเห็นเม็ดทองเลย ไปให้ท้องกืนเข้าไปในท้องท่านว่านะพวกนี้มันค่อยขุดขุดขุ ด, ขดไปมันมันหามันมัน ก, ก็ต้องขึ้นเขาไปเนท้องสมัยนั้นไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์นะท่นานว่านนะเออกลัวอย่างเดียวนะพวกนี้พวกกืนทองเหมนกันทีนี้พอมันขึ้นมาเลยลก็มันก็เก็บไว้เก็บไว้ไะตัวเรามันจะขึ้นมาไปคืนเข้าไปในท้องจากนั้นมันก็อไ ป, ไปไปทายออกกินทองเหมือนกันเด้อ อั น, นี้ท่านปัญญาท่านพูดให้ฟังนะพูดให้หลวงพ่อฟังแต่ได้พอคูดขึ้นมาแล้วก็ใสก่กระเป๋ขึ้นมาเลยคล้ายๆก็ว่าท่านนู้นเขาจะกดออดเต็ดพอเต็ดเสร็จแล้วเนี่ท่านปัญญาแบบกดอันนี้อันนั้นลงไปแล้วก็กดฟุดขึ้นมันก็ปิดกาเช่าขึ้นมาเช้าขึ้นมาคือกาเช้าวันนี้ก็ลงไปแล้วกระเช้าได้ขึ้นมาเออแล้วเอาดินเอาดินทองอนะขึ้นมา พอขึ้นมาแล้วก็พวกใดขึ้นมาแล้วก็มาบดมาใชยเครื่องบดให้มันแตกละเอียดพอแตกละเอียดเสร็จแล้วเขาจะมีบันไดบันไดปูนจะเป็นเป็นขั้นบันไดอมีบันไดอแล้วก็ บ, บันไดมันไม่ใช่บันดไดในเฮ็ดแกนเงินชนิดสักหน่อยจากนั้นมาก็เอาแร่ที่เขาบดบดแล้วนะเทลงไปพอเทลงไปก็ปล่อยน้ําลงไป ปล่อยน้ำอยองแรงลงไปงพอน้าลงไปเท็ดี้ไอ้ทองมันหนักกว่าหินทำไมอมันหนักกว่าหินทองมันจะมันจะอยู่ในอยู่อยู่ที่ที่น้ําขังหินนี่มันจะกระเด็นเลย <c oughs> หินมันกระเด็นลงไปไอ้ฝุ่นหินกระเด็นลงไปแต่ทองมันจะอยู่เป็นเม็ดเม็ดเป็เป็ดเเพอลงไปเสร็จแล้วท็นี้มันไอ้นี่ผ้าหม่มผ้าห่มขี้งาของเราเนี่ย ผ้าห่มที่ราคาถูกๆผ้าห่มขี้งา่ยปูเะยปูยาวเยือกไพอตกถึงนี่เลยเม็ดนี่ยก็ลงลงลน้ํากระแทกไปอีกกระแทกพวกฝุ่นนะไอ้ทองคําที่เป็นเม็ดเล็กมันจะไปมดอยู่ในผ้าห่มขี้งาอีกทันวันนะเออไปมดอยู่ในผ้าห่มขี้งาจํานวนที่ปูไว้ทั้งหมดอนะดินนั่งหลก็ก็ได้นออกไป เสร็จแล้วก็พวกนั้นก็มักมากวาดเอาทองละบัดี้กวาดเอาทองไอ้อยู่ตามบันไดวกวาดกวาดกวาดพอเสร็จแล้วก็เอาผ้าผมขิ้งาจำนวนนั้นอะ่ะมาม้วนม้วนม้วนมว น, มว น, มวนเสร็จแล้วเอาไปเผาไฟเอาไปเผาไฟทองคํามันจะอยู่ในในในผ้าผมขีงาผืนนั่นท่านเออแต่ใ น, นท่านปัญญาเนี่ท่านวัดท่านอยู่ในเป็นผู้นั่งเฝ้าลิฟต์ท่นวัด น, นะ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 มันลึกเป็นกิโลกิโลหนึองที่กุฎทองที่อินเดียท่านว่านะ่ะแต่ถ้านโกาตังว่าแปลกไอ้ตรงไหนที่มีไฟท่านว่านะ่ะที่มีไฟฟ้าเนะี่ยคือบางทีมันมันมันมันโค้งอย่างนี้เลยขึ้น อ, อย่างนี้ไอต้ตที่มันมันโคงนะ้งเน่ะเขาจะมีไฟไว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไฟฟ้านะไฟฟ้าเป็นดอกจุดตรงไฟฟ้าเนะี่ยจะมีจะมีวัฏพุทธเกิดท่านว่านะ่ะ อจะมีพวกนี่แหะพวกผักพวกอะไรเอพวกผักกูดผักอะไรเนี่เกิดในในพื้นดินใชเออมันเกิดในไอ้ตรงที่มันมีไฟนะอะไรทั้งนั้นลึกๆเลยเพวกเขาขุดมันไม่ใช่ขุดเอเดือนสองเดือนเนี่ยมันกูดเป็นปีปๆใช่ไหมนะแต่เดี่มานก่อนมีมีมีมมพัฒพืชเกิดตามตามที่มันที่มันนั่นนะผมก็แปลกใจว่าทํำไมยาจะไปเกิดในพื้นดินได้ ท่านปัญญาเนะี่ยท่านพูดให้ฟังเนี่ยหลวงพ่อตามท่านพูดโห้โท่านพูดใจดีหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าท่านปัญญาเนี่ยนะขนาดทาด้ามมีดก็ยังมีแปลนเห่างนั้นเขียนแปลนไปก่อนได้ก่อนทําด้ามมีดนะเอหลวงตามหาบัวว้าแล้วกะกะกะกอันนี้เป็นอะไรปัญญาเแปลนอย่างนันะท่านทำด้ามมีด เล่มเดียวก็ทำแปลนอย่างนั้นใช่ไหมค <laughs> <What? S 2> รับว่าภาษาธรรมดามมีดกันมีแปลนนะ <laughs> เออ้าวท่านเขียนด้วยด้วยนะต้ามมีดตัวเหล็กยาวขนาดนี้ปลอกขนาดนี้ควรจะทำขนาดไห น, นยาวขนาดไห น, นจำเพาะท่านทำโอ้แปลนทำได้ดีมากแล้วก็ทำกล่องนาฬิกาอย่ไงไ ทำนาฬิกาไม้ประยุงทำนาฬิกาโอ้โหผมว่าน่าจะเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์นะโอโ้ท่านทําได้ดีมากจริงๆเห็นนล้วขณะท่านเป็นฝรั่งนะท่านทําแปลนทำกล่องนาฬิกาพกเนี่ยนะถาวายหลวงตาอันหนึ่งนะถาวายท่านอันหนึ่งท่านเอาไว้ใช้อันหนึ่งสําหรับใส่นาฬิกาข้อมือเนี่ยใส่เข้าไปพอดีพอดีพอเหมาะเลยวย่างนั้นเปิดป๊อปป๊อปท่านทําได้ดีมากสวยอีกต่างหากกระทัดรัดอีกต่างหาก ออกแบบแปลนได้ดีมากเหมือนกันเห็นแล้วแต่ท่านไม่ทำไม่ใครนะมีแต่มีแต่ของท่านนะกับของหลวงตาสรวมแรกก็คือท่านปัญญาเนี่หลวงพ่อยังเชิดชูบูชาพระคุณของท่านปัญญาเหลือล้นขนาด น, านับเพราะเหตุไรถ้าหากว่าไม่มีท่านปัญญาไม่มีท่านเชอรี่นะพวกเราไม่ได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตา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 พ่อท่านอะไรมีพินักรรมอะไรให้แม่ท่านท่านกับมุชลีโฮเป็นคนมีเงินน่ะสมัยก่อนนั่นน่ะแต่ท่านก็ใช้ยืดโดยช่แช่งหมดแล้วแหะท่านถวายลงตานะี่ยังไงไม่ใช่ที่ไปที่อื่นถวายลงตาทั้งหมดมีเท่าไหร่ทีนี้ท่านก็บอกว่าเอท่านปัญญาบอกเอถ้าได้เทปมาอัดเทปมาอัดเทปลงตาก็าดีนะเชืลีน่ะท่านชลีเอาเอ า, เอาไหมเอา ท่านอะสั่งไปที่เยอรมันเอ่สั่งไปเยอรมันเทป ก, ก, กลุนเด็กดกลุนเด็กแค่ตัวหนาที่าไรเห็นอยู่วะเออนั่นแหะตัวนั้นแหะตัวนั้นแหละเป็นปฐมมาเล็เทปกลุนเด็กตัวนั้นแ่ะหนักใส่ฐานทั้งสิบสองฐานเหมือนกันใส่เข้าไป เ, เนี่ยหูเอียงน่ะไอ้ความความหนักของกลุนเด็กตัวนั้นแหะแต่ม้วนเทปใหญ่ขนาดนี้นะม้วนกลมนะ เออหมุนอาวว่าแต่เน่ก็ท่านเจอร์รี่ซื้อมาซื้อมาถวายถวายให้ท่านปัญญาท่านปัญญาก็ออกมาท้ายถวายซื้อมาสองเครื่องเลยนะถวายท่านท่านอาจารย์ชิงทองเครื่องหนึ่งเอ่อถวายที่วัดป่าบ้านตาดในเครื่องหนึ่งแต่เครื่องท่านท่า น, นอาจารย์ชิงทองมาที่หลังแต่ของท่านวัดป่าบ้านตาได้มาก่อนเครื่องนี้เป็นเครื่องใหญ่แต่ม้วนเทพหนึง แผ่นสายเทปขนาดนี้เลยนะเออแต่อัดได้สองข้างเหมือนกันนะอัดได้สองข้างแต่ทีแรกก็พอติดเครื่องแล้วก็อัดมันก็หมุนเออหมุนเข้าไปหมุนเข้าหมุนเข้าแผ่นเทปนี่แหละอันนี้ก็คือเทปที่อัดธรรมเทศนาของหลวงตารุ่นแรกต่อมาก็มีเทปฟิลลิป ต่อมามีฟินลิปของอังกฤษบ้างของออนแลนด์บ้างเป็นเปรเทปเล็กแต่นั้นก็คือส่วนผสมแต่ปตัวหลักจริงๆก็คือกลุ่นดิกของเยอรมันมีอยู่3มสีเครื่องมีสมัยหนึ่งที่เขาเขาทำถนนลาดยางเข้ามาบัานตาลนั่นขโมยมาขโมยที่กุฏิท่านเอี่ยนเขานั้นไปเครื่องหนึ่งไม่รู้เขาเอาไปทำอะไรเพราะ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 มันลักษณะเนี่ยหนาขนาดนี้ยาวขนาดนี้กว้างขนาดนี้ของโซนี่โอ้โหท่านปัญญาพอใจมากเหมือนกันเพราะมันเพราะมันเล็กใช่ไหมเพราะว่าไปเห็นไปเห็นกลุ่นเด็กจนพอแรงแล้วเหมือนเอนแต่ได้ก็มาเห็นท่านพูดวาโอ้พอใจมากตันนี้เทปโซนี่คาเซ็ตเนี่ยอาจากนั้นท่านก็เลยพยายามถ่ายทอด อาจจากนอนนั้นมาใส่ตัวนี้แต่ที้เวลาอัดเทปโลงตาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะอัดแล้วตั้งไม้ไว้ใกล้ๆไม่ใช่นะเอเห็นไม้มาโยกไปไม่ได้พูดอะไรมากมายเรากันไปพัฒนธรรมญาทำไงธรรมญาคนนั่งอยู่ข้างาๆเราเอาเอาไม้ไว้ข้างๆเท่านั้นแล้วไม้ไว้ข้างๆลงตาไม่เห็นเนี่ยไม่ลงตาไม่เห็นของไ ม, ไม้ตัวนี้งตาก็พูดพูดไปเลยธรรมญาเขอัดไปเลย ถ้าจะอัดสามสิบคไม่ได้สามสิบคนไมไห้สี่สิบห้านาทีต้องต้องใช้เทปชั่วโมงยี่สิบนาทีแต่ว่าชั่วโมงยี่สิบนาทีในี้จะไ้ฐานของมันเ่ะไดฐานฐานเล็กนะ่ะจะไม่ใส่เครื่องเล็กไม่พอท่านปัญญาต้องประดิษฐ์ประดิษฐ์เอาฐานใหญ่สีก้อนใช่ไหมเออฐานใหญ่สีก้อน <c oughs> เพื่อเสียบเสียบเข้าเทปเล็กนั่นนะเคื่อให้มัน ให้มันให้มันพอสำหรับชั่วโมงยี่สิบนาทีนั่นแะแต่ตัวนี้ท่านปัญญาก็ต้องใส่ใส่ใส่ยาผมไว้อย่างดีเพราะงั้นถ้าเปิดไปทางว่าสามสือ4ึงสี่สิบพาดบัตรดังตักฮะตายเลยท่านปัญญาเน่ว่าท่านปัญญาก็ต้องจะต้องจะต้องคล้ายๆดูดูคล้ายๆมองมองนาฬิกาใกล้ๆลก หมดแล้ไม่จบก็ตามท่านปัญาก็ต้องปิดไว้ก่อนเออท่ามันจะถึงชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบนาทีแล้วนะท่านปัญาต้องปิดไว้ก่อนปิดเทปไปก่อนพอได้เทปมาแล้วจะไหนก็ามาฟังดูมาฟังเสร็จแล้วท่านปัญาก็ามาเรียบถ่ายเอาได้เ อ, เอามาถ่ายใส่ม้วนใหม่ไปเลยม้วนสี่สิบ้าบงม้วนสามสิบบ้างเทปจะยาวขนาดไหนสั้นขนาดไท่านปัญาจะลบเรีบจัดทันที ในเมื่ออัดมาแล้วใครจะไปยืมต่อไม่ได้เด็ดขาดในช่วงนะั้นท่านปญยาต้องถ่ายซะก่อนก็กแม่กระท่ง ก, า ก, กงอาลงอลงลงตัวหนังสือเอาไว้เรียบร้อยวันเดือนปีเรียบร้อยถ้าวันนี้ลงตาทเทศเผ็ดร้อนเก่งมากท่านอย่าใส่ตัวเอ <c oughs> แค่ว่าอเอเนี่ยแปลว่า <c oughs> หนึ่งงูเงินเนี่ย น, <c oughs> นี่นแหละไม่มีความหมายของท่านแนะท่านปาัญญาท่านมันรอบครอบ ข, อ ข, อขอนาดนะั้นจงพ่ออยู่กับท่านปัญญาเป็น ตั้งสิบสี่ปีเนี่ยตรงพ่อก็คุกคีในระในระดับที่ว่ารู้จักที่ไปที่มาพอสมควร ก, กับกับการอัดเทปของท่านปัญญาแต่วันไหนบางทีก็ลงตาเอ้าท่านปัญญาเข้าไปในครัวท่านท่านปัญญาหรือวา่าจะเดินช้ากว่าจะกว่าจะจัดเทพกว่าจะจัดใดลงตาก็ได้คอยบางทีลงตาลำคาเพอตัวลงตาลำคาญเลยเอา อ, อาลรีไปนะวันนี้นะ ท่านปัญญกรรีบจัดรีบจัดไอ้ไอ้คาเสร็จเออบางทีท่านอาจารย์หลวงปู่ลีกดพิดกดทวงเี ก, เกบาร <c oughs> <c oughs> กลับออกมาไม่ได้ไม่ได้เสียงโลกตาเลยวอางันเถอะเพราะท่านอาจารย์หลวงปู่ลีกดพิดเหมือนนเถอะมีไม่น้อยอีกเหมือนกันเมือนันตรง น, นั้นน่ะเออบางทีหลวงปู่บุญมีไปหลวงปู่มีก็กดพิดอีก บางทีก็กดถูกบางทีทัดจะพัฒนปัญญาจะกดไว้ก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมหม้วนเทพปัญญา ก, กินไปมากเกินไปใช่ไหมเนี่ยแหละให้ไปกดที่ท่านกดตี่นี้นะ<ม>เออกดตัวนี้ก็กดตัวนี้บอกเ อ, อในช่วงนั้นก็คือช่วงที่ที่ว่าธรรมะชุดเตรียมพร้อมนะก็คือคุณเผาปางาป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งในกระดูก เ, เป็นปัญญาของคุณไวเออแต่นี่ก็คุณ นนเผาอะไรก็มันนอนมาลักเียว่าตัวเองอย่างงี้ก็ไม่หลอดลนะตายละข่าวนี่ก็เลยมารักษาจิตมาปฏิบัติธรรมกับหลวงตาหลวงตาัาโปรดไปเทศทุกคืนทุกคืนน่ยจึงมีนั้นมีเทพวะชุชดชุดเตรียมพร้อมขึ้นมานะในคำว่าชุดเตรียมพร้อมคำนี้เนะ น, นี่ยคือนี่แหละเมอท่านไปโปรดคุณเผาพงาที่ครัวแต่ว่าคืนอำลาเนะะีกันนั่นแหละคือคือคุณ คุณเผาประง า, าลาละคงจะไม่กลับมาแล้วเออหมอเขาบอกแล้วเลยบอกว่าได้กาหนดแล้วเขาขอให้กลับแต่คุณเผาปะงาก็เลยกลับกลับลงตากรู้แก่ใจว่าคุณเผาประงาคงไม่ได้กลับมาวัดป่าบ้านตายอีกเนี่ยเขาท่านก็เลยตั้งชื่อว่าคุณววยก็ตั้งชื่อว่าคืนอำลาที่ลงตาพูดรู้สึกว่าโอ้ฟังฟังดูแล้วก็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 เออโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพวกน้อยหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยไปมันควจะไปไปขโมยขโมยรักสาวพั้ท่านไม่ให้ไปใกล้เลยว่ากันเออเราไม่ได้ไปใกล้เลวาก็อยู่ห่างๆเลยอยู่ทางหลังทางหลังหลวงปู่หลวงตาเนี่ยว่ากันไม่ได้เข้าไปใกล้มีแต่ท่านเอาพระผูเท่าหลวงปู่ลีบังหลวงปู่บุญมีท่านปัญญาที่ไป พระพลังนหนุ่มขอท่านก็ไปเอาไปอีกเหมือนกัน mm hmm. พวกท่านเอียนพวกนี้ไม่ได้ออกไม่ได้เข้าไปได้หรอกนี่แหละอันนี้ก็คือจากนั้นมาท่านก็พยายามรวบรวมธรรมเทศนาของหลวงตานานเท่านานได้มากทีเดียวจึงเป็นผลงานเรียว่าธรรมเทศนาของหลวงตาที่เทศต่างกลัมต่างวาระเนี่ยโอ้รู้สึกว่า มีประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายมากๆผมว่าน่าจะเขียนหนังสือเชิดชูบูชาหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อเชอรี่จุดนี้ไว้ให้ปรากฏเหมือนกันนะมาตินนะ <c oughs> เออให้เข้าาเนี่ยความเป็นมาของธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยที่พวกเราได้ฟังเนี่ยเบญบุญคุณของท่านปัญญาท่านเชอรี่ <c oughs> เออแล้วก็ไอ้อันนั้นเต่อมา คุณหมอเป็นสีสั่งซื้อเทปท่านไปเยอรมันนะเทปแบบอะไรตัวเล็กๆหนักหนักมากเขาเรกอะไรชื่อว่าไงผมไม่จาชื่อแต่ก็มีก็มีอะไรมีไม้ตัวหนึ่งที่บัวเบ็นันไหเบเยอร์เยอร์แต่ละตัวนั้นนะคุณหมอเป็นสีซื้อ8 00นะตัวนั้นนะสมัยนั้นนะคุณหมอเป็นสีซื้อถวายท่านปัญญา8 00 ถวายเพื่ออัดโอ้โตอนนัอัดดีมากเลยเดี๋ยวนี้ยังอัดเดี๋ยวผมยังไปเห็นเมื่อนลงตาจากไปผมจหัหโอ้ยไหมอีย่างๆอยู่นี่ว้าวโอ้ใช้ได้ทนจริงๆนี่ว้าวเป็นของเยอรมันน่แหละอันนี้ก็คือจากนั้นทางก่อนเนี่ยหนังสือที่ไหนผู้ที่แปลหนังสือเนี่ยคือคุณหญิงคุณหญิงเสริมสี คุณหญิงเสริมสีเป็นน้องภรรยาของอาจารย์หมออวยเกศสิงห์อาจารย์อาจารย์ภรรยาของอาจารย์หมออวยเกตสิงห์นี่คืออาจารย์สงศ์สีกเกษมสีเอ่อสงศ์สีสกเกษมสีแต่ว่าอาจารย์สงศ์สีในีเกตสิงห์เป็นนามสกุล ข, ของของอาจารย์หมออวยนามสกุลเกตสิงห์แต่ใ้ท่านขอขอนุญาตจากองค์หลวงตาไว้ ท่านอาจารย์เจ้าขาธรรมะชุดเตรียมพร้อมอวกาศของจิตอวกาศของธรรมดิฉันขอแปลเออเอาลงหนังสือได้ไ้าายเจ้าขาลงตาก็เห็นเขาไม่มีครอบครัวเป็นผูน้อาจารย์เสริมสีนะเออเขาทำงานอะไรต่างประเทศหรืออะไรนะทุกตาก็เออแล้วเาก็เขาก็มาถอดออกจากเพพ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 อันนี้คือท่านเขียนให้สีส ป, ปดาสีส ป, ปดาเป็นคนพิมพ์แล้วไไลส่งไปลายสปดาแต่ที่นี่ก็สีส ป, ปดาเขาซื้อเครื่องพิมพ์ดีดถวายท่านแต่ท่านปัญญากรนํามาประดิษฐ์สมัยนั้นมันมีไฟฟ้าบ้านตากไม่มีไฟฟ้าใช่ไหยท่านปัญญากรเนี่ยนะเอาแบตเตอรี่หาแบตเตอรี่มาเพื่อจะเอาเข้ากับกับพิมพ์ดีด ตอพอแบตเตอรี่หมดหมดจะทํำยังไงท่านท่านปัญญาก้องหาเครื่องฮ อ, อนดา้าฮอนด้าเล็กๆเนี่ย <Okay. S 1> ติดเครื่องฮ อ, อนด้กับชาร์จแบตเตอรี่พอชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่มาใส่เครื่องพิมพ์ดีตรงตาเ อ, อเครื่องพิมพ์ดีตรงตาไม่ต่ํากว่าสีตัวเพื่อเครื่องหนึ่งหมดเครื่องหนึ่งเข้าเครื่องหนึ่งหมดเครื่องถ้ามันบดเทไรท่านก็เลยท่านปัญญาหมดละหัว <laughs> ท่ัญญาก็ต้องมามาเพิ่มให้มาเพิ่มแบตเตอรี่ให้ที่แรกท่านก็พิมพ์นะพิมพ์ช้าๆพอต่อมาลงตาในเก่งนี่อายุประมาณเกือบจะเข้าเจ็ดิแล้วช่วงนั้นหกสิกว่าเกือบเจ็ดสิบลงตาที่พิมพ์เอ่ยประวัติของหลวงปู่มั่นนะแต่ได้ท่านพิมพ์รัวเด่นนาทีเดียวกได้ตั้งสิบหกคำเลยแปลว่าแปลว่ามาตรฐานเลยแล้วนั้นแหละลงตานล้วไม่ใช่ธรรมดาเดี๋ยพิมพ์พิมพ์ดี๋นีใส่รัวแล้ว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 ตอนเช้าจะเขียนมากับนอนเมเป็ดไดมันจะตั้งเข้าอี้เขียนให้ลงตาเขียนหนังสือนะนอนเมเปแล้วก็เขียนศอกที่ดำหมดตรงนั้นเอาเข้าอี้ให้กับไม่เอาเออนนอนคว่ำแล้วก็เขียนพอเขียนเขียนกับข้าเลยเกือบเท่าเท่ากันเราเห็นน่ะตัวเขียนกับตัวข้าเนี่ยถ้าเท่ากันเข้าเกศเกศไปถูกอย่ากขัดเจเกอ แต่ท่านก็รู้ว่าตัวไหนควรจะเอาตัวไหนสิเนี่อจากนั้นท่านก็ขึ้นมาเมืาพิมพ์เลย้นสิพิมพ์ก็ดูดูที่ท่านเขียนไว้นะ่ะเอพิมพ์ได้ก็จบออกมาเพราะจบออกมาเสร็จแล้วก็มมวมม น, วกนั่นแหอะท่านก็มามาบีบเป็นสองฉบับนะเอตัวจริงตัวหนึ่งตัวถ่ายเอกสารตัวหนึ่งเ่พตกตอนเย็นผมขึ้นไปทํากิจวัตร ผมทำขึ้นเจ้าวัดหลงตาเป็นประจำเลยขึ้นไปอะไรกันเนะ่ยจะไว้ที่ไหนโอ้เอกสารแต่ละตัวเนี่ยมองแล้วมองอีกไว้ที่ไหน <c oughs> เก็บไว้อย่างไรก็เท่นี้เวลาพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างพิมพ์รีดเนี่ยพิมพ์ดีที่ท่านพิมพ์อ่านหน้าเ็เนี่ยท่านพิมพๆๆๆๆๆๆๆๆ์เวลาเราจะยกพิมพ์ดีด น, นะ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 พอวางเสร็จแล้วก็ต้องยกเก้าอีพอยกเก้าอีกก็ยกทางไหนไม่ใช่ยกทางที่ ท, าท่านพิมพ์นะันยกทางที่นั่นอีกพอยกเข้าไปก็ค่อยวางวางตกไหนอีกไอตรงเทนที่ ม, มุมมุมที่ไหนเออต้องดูแล้วว่าที่ที่เรามันห่างจากไหนห่างจากฝาขนาดไหนห่างจากฝาขนาดไหนเออพอยกเข้าไปวางเสร็จแล้วกยกตัวนี้ขึ้นไปไปวางอีกวางตัวนี้ พิมพ์ดีตัวนี้ห่างขนาดไหนตัวนี้ห่างขนาดไหนเออห่างขนาดไหนอีกโอ้ผมไม่ใช่ธรรมดาแลวสุเจา้าพูดทำกับหลงตานี่นะเออใช่ไหมมาตินถ้าผมพูดคงไม่เกินไปนะแต่นี่พอพอเย็บพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผมเป็นคนเย็บเนี่ยหนังสือไหยที่ประวัติหลวงปู่มั่นนะเออหลวงปู่มั่นทั้งทั้งทั้งเอกสารตัวจริง ท่านตัวตัวถ่ายตัวตัวจริงกับตัวปลอมเลยตัวจริงกับตัวนั้นตัวถ่ายเอกสารแต่ท่านพิมพ์ครั้งเดียวเอาไว้ทึงสองเก็บเอาตัวตัวตัวปลอมไว้ตัวเอกสารจริงส่งไปส่งไปให้ศีสปาราเขาก็ลงลงในศีสปาราทีนพอส่งส่งไปตอนี้เขาบอกว่าเขาก็บอกว่ามันจะหมดนะเจ้าค้าจดหมายลงตาก็ ท่านบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีสีสัปดาบังคับนะประวัติหลวงปู่มั่นคงไม่เป็นประวัติหลวงปู่มั่นเพราะนี่เขาบังคับเขาบังคับให้เขียนพอบังคับไม่เขียนก็ต้องพิมพ์ส่งให้เขาเพราะเขาจะได้ลงในสีสัปดาเป็นรายอาทิตย์อไปลว่าอาทิตย์หนึ่งเขาก็ออกครั้งหนึ่งหนังสือสีสัปดาเนี่แหละพอเสร็จแล้วทีนนี้แท่งกระว่าจบประวัติหลวงปู่มั่นลเลยเออ เอาอะไรอีกเอาปฏิปทาปัะเนี่ยเออเอาปฏิปทาพระตุโงกรรมฐานสายลงปูมันอันนี้ท่านเขียนด้วยมือเลยนะทั้งประวัติทั้งปฏิปทาพระทุโงกรรมฐานสายลงปูมันท่านก็เขียนด้วยมือพอเขียนด้วยมือก็พิมพ์อย่างที่ว่านะนะั่นผมก็ได้เย็บทั้งสองเล่มเลยนะเออพิมนะพ์ติดเนะนี่ยเออพิมพ์ติดเสร็จแล้วก็เก็บทุกวันทุกวันกัส่งที่สีสัปดาห์อย่างเก่านะนะั่นนี่แหละ อันนี้กระโถนไเวลาวางกระโถนวางไว้ที่ไหน เ, เวลากาน้าแก้วน้ำวางไว้ที่ไหนโอ้ยผิดที่ผิดทางท่้นนั้นนะอย่ามายุ่งกับเราในพระองนีเออเพราะนั้นเรื่องกระโถนแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าอะไรอะไรต้องอยู่ในระบบระเบียบเอออย่ามองเรามาเห็นลูกน้องของเราเนี่ยข น, นยาดยกว่ายะว่ายากลำบาก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 ดินสอไม้เอาไว้แล้วเอาดินสอขีดเล็กๆเอาไว้เหมือนกันนท่านไม่เห็นหรอกเพราะท่าประเด็ธสังเกตแต่เราเนี่ที่เราเนี่ยกลัวมันจะผิดเอาขีดไปเนี่นนี่ยแหะอันนี้เลยคือสมัยนั้นนะถ้าเราอยู่ใกล้หลวงตาเราไม่ค่อยกลัวลงไม่ค่อยกลัวลงตาเท่าไหร่นะถ้าอยู่ใกล้นะ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 ไม่ต้องท่านให้ไม่ต้องท่านให้ท่านบอกว่างั้นเถอะ เ, เราต้องรีบจัดให้มันถูกพอถูกแล้วท่านก็นเฉยและเดือดจะแดงก็เออเราทาถูกแล้วจุดนี้แล้วไปเ น, นี่ยนี่แหละอยู่กับลงตาเนี่ยเพียงพรามองมองสายตาของท่านอา่ไม่ใช่มองที่ไหนนะพอเข้าไปเราก็มองสายตาถ้าหากว่ามองสายตาดูแล้วควา้างโอ้ผมเรื่องอะไรเนอะวันนี้มันเรื่องอะไรเนาะมันใครเดินไปก่อเหตุนอกวัด น, นี้นอน เอระวังระวันนะ่างนั่นเถะระวังเอาอย่างสุดเลยโอ้ทาไมนันก็เปรี้ยงจริงๆนะ่างั้นเถอะเนี่ยอันนี้คืออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ดีความกลัวนี่เป็นเป็นสิ่งที่บอเกิดแห่งปัญญาเหมือนกันเอไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนโจโลซือเบือมันไม่เกิดปัญญาเลยไปอยู่ตรงนั้นใกลๆว่าปัญญาในความคิด่มันหมุนตี้วเลยว่างนั่นเถอะพอเข้าไปวันนี้เรื่องอะไร ขนาดเดินไปในวัดเนี่ยถ้าเดินไปกลางวัดโดยวิ่มีอะไรเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรถ้าเดินไปตั้งคําถามไว้ในใจตัวเองละ่ะถ้าเดินไปนี่เนี่ยถ้าไปเจอพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยถ้าท่านถามวาอะไรเราจะตอบว่าอย่างไงต้องมีคําถามต้องมีคําตอบแล้วใช่ไหมต้องมีคําตอบไว้แล้วเตรียมคําตอบไว้แล้วท่านถามวาอะไรไปอะไร กับผมือว่าจะไปดูนั้นไปดูดิ่ <laughs> <laughs> ไปดูไปดูที่ท่านจะไปดูเท่านันเ้เนอนี่แหละเพราะนั้นโอ้ยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาโอ้หลวงพอว่อเนี่ยนะส ร, รุปแล้วก็คือท่านเชอร์รี่ท่านปัญญามีคุณอปุปการอย่างมากต่อพวกเราท่า น, ท, านทั้งหลายที่ท่านได้อัดเทป m อ3มพสาธรรมเทศนาของท่านพูดอย่างเด็ดเดี่ยว เ, เมื่อสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่าขึ้นมาแล้วนะสามสิบกว่านไปสามสิบสองสาสิบสามลงตายยุดเทศนะจุดเทศแบบเผ็ดร้อนแล้วจากนั้นท่านก็เทศ ป, ปลายปลายไปถึงสี่สิบกว่าสีา่สิบกว่าท่านก็หยุดหลังจากนั้นก็เป็นธรรมเทศนาสำหรับพี่น้องประชาชนเป็นส่วนมาก ตอนเช้าบางประเทศสถานที่ทองคำเข้าคัางหลวงบ้างจดจำนวน40พรรษาปี42ไปแล้วแต่ตั้งแต่ปี42มาหา32น่รู้สึกว่าท่านเทศห่างบางทีเป็นเดือนก็นยังไม่ได้อบรมพระมีแต่ว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี2อ2 2ันห้าร่อั้ป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 24ชั่วโมงเลยดังสนั่นบันไปเพราะนั้นเวลาอัดเทปไปชมวันนี้เวลามีประชมท่านลงตาท่านก็จะบอกขนาดเราจะไปที่ไหนก็ตามนะจะไปธุระกับหมู่กับเพื่อนอะไรก็ตามต้องเอาผ้ากีวรกับไฟฉายผ้ากีวอนกับไฟฉายไปด้วยจะไม่ขาดก อ, องกีบวรกับไฟฉายต้องไปด้วยประชมนะต้องดอดเลยยนินกันเลย ยีนาทีแปลว่าถึงสลาหมดทุก อ, อกอบัดป่าบัน ด, ดาดยี่สนาทีต้องถึงสลาหมดทุก อ, อกพอขึ้นมานั่งแผลพอนั่งประจําที่หมดแล้วตรวงตาขึ้นมามานั่งปันกราบพระซะก่อนกราบท่านกราบกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบหลวงปู่มั่นกราบหลวงปู่มั่นกราบเจ้าพุกนสมเด็จ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 อันนี้ค <at> ืออบรมพระโดยตรงไม่มีฆรวาสเลยฆรวาสบางที็ตาทำท่านอาจารย์กับผมขอไปฟังด้วยได้ไหมเอ้ยไม่ต้องอบรมพระเออท่านบอกอย่างนั้นฆรวาสไม่มีนี่แต่พระแต่เวลาอบรมเสร็จแล้วเสียงเครื่องบินมันดังขึ้นนะโอ้เออแต่เนี่ยท่านก็เงียบ จนมันหายไปว่นน่ะท่านยังพูดต่อถ้ามันขึ้นบ่อยๆท่านเออวันนี้มันได้เลอกไะมไปเลิกกันก็ได้เลิกกันเออบางครั้งนั่นแ่ะเพราะในช่วงสิบสองถึงสิบปดเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องบิน2 0งปสิบหกเนี่ยนะเครื่องบินอเมริกาอยู่ที่สนามบินนะมากมากจนไข่ไข่ไก่แถวนั้นไม่มีลูกเลยคล้ายๆว่ามันมันมันกระเทือนมากจนไข่เน่าเลย สมัยนั้นอะ่ะ 2,117-18 ค่อยชาลงชาลงแต่ก็ยังมีอยู่ก็ยังไม่เสียงพอ 2,118 แปลว่าหมดไปจะมีธรรมเทศนาของลงตาอัดไออัดเป็นแผ่นขึ้นมาธรรมเทศนาเทศของลงตาเริ่มตั้งแต่18เป็นตุเป็นตาเลย19 20 21 22 23 24 25 26ช่วงนี้แปลว่าเทศเผ็ดร้อนมาตลอด แต่ปี27 2127ผมออกมาแล้วนะ่ะผมมาอยู่ที่นี่แล้วช่วงนั้นช่วงสร้างสระน้ำเอ่อเส้นดาท่านดาพระ <c oughs> การ น, นั้นเป็นการที่รุนแรงที่สุด <c oughs> นี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของธรรมเทศนาของหลวงตาแต่ก็น่าเสียดายท่านปัญญาพุทโธที่ท่านจากไปก่อนองค์หลวงตา ต่ทำไงได้ล่ะท่านอายุเจ็ดสิบ่ไหร่พวันท่านเป็นหงพ่อปัญญาจากไปเจ็ดสิบเท่าไหร่เจ <78. S 1> ็ดสิบแปดนี่ล่ะพี่น้องลกูกหลานลุงพ่อเห็นหมู่พวกเพื่อนเก่าก็มาเล่าเล่าให้ทวนความจำ <laughs> ทวนความจำให้ลกูกหลานได้ยินสรุปแล้วก็คืออยากจะให้ มาตินเชิดชูบูชาหลวงพ่อปัญญากับตลวงพ่อเฉรี่นะถ้าได้เขียนถ้าเขียนเป็นหนังสือแล้วอะไรนะเนี่ยควรจะเล่าประวัติความเป็นมาอันนี้ผมพูดให้ฟังเป็นข้าวๆควรจะ เ, ะเอาจะเป็นว่าท่านปัญญามีประโยชน์ต่อสาธุสิทธิ์ขององค์หลวงตาอย่างไรแอนเชลลี่มีคุณประโยชน์ตับองค์หลวงตาอย่างไรควรจะเชิดชูบูชาพระพลังให้ ออไม่ใช่พระฝรั่งเขามาเกาะลงตาเฉยๆมันดูดัวหรือมันไม่ใช่นะท่านทําคุณประโยชน์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาของลงตามหาศาลนะ อ, อนั่นนะผมอยากจะให้ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก่อนก็ได้เป็นไรเออใช่เอาภาษาอังกฤษนะ่เชิดชูบูชาท่านปัญญาความเป็นมาของเทพของเอ็มพีสาม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 อยู่เบื้องหลังประโยชน์กับมาถกเถียงกันว่าตัวเองเป็นบุคคลสำคัญแต่ที่ไหนได้เขาปลูกเขาฝังมาแล้วตัวเองมาแย่งกินมากกินผลเท่านั้นเองก็ยังว่าตัวเองเป็นบุคคลสำคัญแต่ต้นเหตุจริงๆนั้นคือใครนะหลวงตาเทศหลวงพ่อปัญญาเป็นคนอัดท ร, รมเทศนาของวงหลวงตาจึงได้มีนะเป็นตนเป็นรำเป็นมักเป็นผลมากระทั่งทุกวันนี้ ผมว่า น, น, น่าจะเขียน เ, เกี่ยวกับท่านปัญญาเสื้ชูบูชาท่านปัญญาท่านเชอรี่นะพระฝลั่งที่มาเกี่ยวข้องแต่ความเป็นมาของท่านกพูดมาถึงือว่าท่านบวชมาจากฟัดปวบท่านอาจารย์เชอรี่เป็นนาคซ้ายท่านพระอาจารย์ปัญญาเป็นนาคขวาแต่เป็นองค์ส่วนี่เป็นองค์ลูกตาสวดหรือเปล่าผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไปถามท่านเชลรี่ก่อนก็ได้ ใครเป็นอาจารย์จวดท่านเอาละบ้างเนะทีนนะหลวงพ่อคาดสุขสวัสดีเนะื้อลูกหลานเนะ้อลมเย็นเป็นทุขหนะ้าล่ารวยโชคดีทุกขูทุกคนดวงตาเห็นธรรมนะลูกหลานทุกคนเนะ้อครูบาอาจารย์คือกันต่างอกต่างใจปฏิบัติรักธรรมไปแน่นะลูกหลานเนะ้อให้ดวงตาเห็นธรรมต่างอกต่างใจพ่วนันหน้า